าทำกันเพราเราเจ้พุทธถ้าบริษัทบริษัทของเราทำให้เจริญกับบริษัท ต, ต่างๆผู้บริหารบริษัทถ้ามีความรอกคอก็บริษัทเขาก็เจริญ พุทธศาสนาของเราก็มาร่วมกันเป็นบริษัทภิกษุภิกษุณีบศสกบาลิกา mm. เพื่อให้ธรรมะธรรมะโอษฐ์ <c oughs> คือพระเพืดเราก็คือความไม่ตายความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บ กฎหมายปลายทางของพวกเราในเรื่อว่าธรรมะโอษฐ์ได้เข้าถึงธรรมะก็มีชีวิตไม่แก่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายนี่คือกดหมายปลายทางของพวกเราให้ชวยว่าเราจะเกิดมาเป็นทุกข์เสีเเยเก็บตายเวียนไายตายเถอะอันนี้เป็นเรื่องที่เรา ไม่ยอมแอนว่าหลวงพ่อเนะี่ยพ่อไม่ยอมจะพยายามที่จะไม่ให้คนเกิดคนแจคนเจ็บคนตายก็ยอมไม่ได้ยึ่งเพียรพยายามที่จะอาจะพูดว่านำนำพาเพยงพยายามที่จะนำพานำพาไปสู่ความไม่เกิดไม่แ จ, ไจ่ไม่เก็บไม่ตาย การนำพาก็คือตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทางไหนเราไปทางนั้นรอยของพระพุทธเจ้าก็คือรอยศีลรอยสมาธิรอยสัญญาที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้เราต้องมีสติเราต้องมีสติ <c oughs> มีความรู้สึกมีความรู้ใจก่อนที่จะมีสติเราต้องมาสร้าง การที่จะสร้างก็ต้องมีการกระทำพฤติกรรมทำอย่างนี่มันเกิดจากนี้ขึ้นมาจึงเรียกว่าวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนี่เป็น <c oughs> การศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นสูตรสูตรตหนึ่งเราจะว่าเราก็คือสูตรความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเราต้องมาศึกษาสูตรนี้ สูตรนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ไห น, นไม่ได้อยู่นอกตัวเราไปก็คือเรื่องของกายของกิตนี่แหละเราจรึงมามีสติดูมาดูมาเปิดตาราเล่มนี้ดูขยันดูอย่านี้ไปไหนดูมันอยู่ตรงนี้เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระสีทธะไม่ทำมามากแล้ว ว่าหกปีทดลองพิธีอะไรต่างๆหลายอย่างเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายค้นคว้าด้วยตนเองก็มากจนเป็นปีที่หกอ้าวเราไม่มีส่วนไหนแล้วไม่นี่แหละไม่กายไม่กินนี่แหลอะอะไรมาหนีสติ ดูกายเรียกว่ากายานุปัสสนาจนเลยอธิษฐานใจว่าเราจะไม่ไปไหนแล้วกันแม้นว่าเลือดเนือ้อเหงื่อเอ็นกระดูกกระพุพังไปข้อตามเราจะไม่หนีจากจุดนี้แล้วกันอ่านั่นเออพอเป็นเลือดเนือ้อกระดูกจระพุพังไปข้อตามเราจะไม่หนีจากจุดนี้เราจะดูมันอยู่ตรงไี้ บางทีมันก็ข น, นไปคิดถึงพิมพาลาหลุนเอาไม่ไปคิดถึงความตายเอาไม่ไปคิดถึงเราเสนาบดีนางสนมกำนันไหนไม่ไปคิดถึง菩าสามฤ ด, ดูความสุขคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิที่อยู่ในกระมือไม่ไปมันคิดอะไรขึ้นไม่ไปแล้วไปก็ได้ กินพาก็ยังสวยถ้าไปก็ได้ภระศาสตร์สามฤดูยังรออยู่ถ้าไปก็ได้พระเจ้าจากาักรพรรดิเขาดูอยู่ก็ยังรออยู่ถ้าไปก็ได้สามมนสนมกำนันในก็ยังรออยู่ถ้าไปก็ได้พระแชร์ราชก็ยังยินดีซ่อ ง, อ, งองส่อสรรเสริญอยู่ไม่ไปมาดูอยู่ตรงนี้ลูอยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ในที่สุดก็รบทาง เราชาติทิ้นแล้วผมไม่จันอยู่จบแล้วตื่นที่จะต้องทําไม่มีอีกแล้วนี่ที่เราทําอย่างนี้สามรอยตรงนี้แหละสามรอยกันตรงนี้นี่สติต้องมาสร้างต้องมาทําเอาไม่ใช่อ่อนรอนพระพุทธองค์ของเราทําอยู่ตรงนี้ตั้งต้นจากตรงนี้เราเชีงพากันมาเทศนาก็ทําอย่างนี้ ทำพากันทํำ อ, อย่างนี่ยสุขโตรเราทำกัน อ, อย่างนี่ยน้อยก็ทำไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเข้าพรรษาไม่มีออกพรรษาไม่มีวันไหนไหนมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่สร้างความรู้สึกตัวนะเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมมันเป็นกุศล จ, จริงๆเหมือนกับเราสวดมัตต์กี่ย พระพุทธเจ้าเคาลบพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยจะเป็นไปอีกด้วยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะทำในหน้าเขาลบความชั่วเป็นอกุศลก็หน่าเขาลบผวมชั่วมากกับขี้ไก่ขี้หมาอย่าไปเยียบมันถ้าไปเยียบแล้วมันเป็นยังไงพรเปรมเยียบขี้หมามานนั่งน้ำมูลอะไรเป็นไง ไปเห ย, ยียบขี้ก่แล้วว่านังน้ำมูลอะไรไปไหนไหนเม้นอะไร ม, มาล่ะโอ้ยก็ได้เหยียกขี้บ้านนี่เม้นเม้นเนี่ยนคนทําความชั่วเคารพอย่าไปคิดชั่วอย่าไปพูดชั่วอย่าไปทําชั่วนี่แหะทําที่เป็นอกุศลเป็นคนชั่ ว, วพระพุทธเจ้าก็เคารพมองเห็นที่ใดเราเคารพผลหัวลกูกอย่าไปคิดชั่วไปคิดไม่ได้ จะไปพูดชั่วก็พูดใหม่ได้จะไปทำชั่วก็ทำใหม่ได้ก็ออะลรเพราะเขารบความชั่วเป็นเรื่องเขาลกมากคลบหลีกงดเว้นหลีกช่างสิบวาหลีกคนบ้าสิบเส้นหลีกความคิดชั่วชั่วล่อโยดพันโยดอย่าไปคิดหัวมันพยายามมีความรู้สึกตัวเข้าไปแล้วทาที่เป็นกุศลอันนี้ก็เคารก น้อมมาใส่เราน้อมเราเข้าไปลบเวลาใดที่เราได้นั่งกติของเราแต่ยกมือสร้างจังหวะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ย mm. มันก็ว่ามันสุดหัวใจเราใดที่เราได้ยกมือสร้างจังหวะมีสติเราใดที่เราได้เดินจงกรมมีสติเราใดที่มันคิดไปเรากลับมามีสติ อาใดที่มันเกิดอะไรขึ้นความกลัวความกล้าเกิดกิเลสตัณหาเกิดความงงเหงาเหงานอนเกิดความคิดุงซ่านเกิดความลังเลสงสัยเกิดพยาบาทล้วกลับมาหาความรู้สึกตัวเดี๋ยวเลยไม่ไปไม่เศร้าหอมองไม่พัดพรากไม่จอดไม่อาภับเอ้อกลับมารู้สึกตัวนี่สบายเลยไม่มีแล้ว ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายสมผัสกับความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เก็บไม่ตายน้อยๆถ้าเป็นในพันก็ในพันน้อยๆเรารู้สึกเราใดไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวเรารู้สึกตัวที่ใดไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเรารู้สึกตัวที่ใดไม่เป็นคนชาติภาษาลัทธิในกายเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเดียวความรู้สึกตัว มีน้อยๆก็ได้ประโยชน์น้อยไม่มากๆก็ได้ประโยชน์มากๆนี่ความรู้สึกตัวมันมันมันลบไปหมดเลยไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ตัวรู้สึกตัวแต่รู้มากๆมันจะเป็นอย่างไรเราจึงพามาสร้างแล้วเราได้สัมผัสดูแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้กาะกู้บรรทัพนิตไทยไทย ขอชีวิตของเราสู่ควาเป็นหลักไทยออกจากบาปไทยออกจากอากุศลละธรรมความรู้สึกตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยว <c oughs> จะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเราลู่สึกตัวเดียวนี่ใครจะเป็นมายังไงไม่กเกี่ยวไม่ต้องไปสนจใจเรามาลู่สุกตัวเดวนี้ต้องมาสร้างตัวโลดสุดตัวให้มากๆให้มากๆเนี่ย อาจจะเป็นการถ่ยถอนเป็นการยกตนขึ้นเป็นการยกตนขึ้นฝั่งรูที่เราเรีวกวสุดหัวใจแล้วไม่มีอะไรแล้วรูสุดตัวฉันรูสุดตัวเราเป็นยังไงไม่มีอะไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราเกิดอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ใต้ต้นโพธิโพธิคือสติคือตัวสติตัวปัญญา ตัวู้สึกตัวอย่าหนีไปไหนวันนี้ไปถึงไหนเราหวางพอเพียไปถึงนาแห้งไม่มีน้ําเลยหวานกล้าแล้วไม่มีน้ำำําดําไปถึงไหนมันวิ่งไปกลับมากลับม า, บมาอย่าไปไปถึงคนรักไปถึงคนชังไปถึงความยินดีไปถึงความยินไล่ไปน่นอย่าไป น, นู่นมันเป็นโลกโลกมันรสชาตินะ่ะ อันมีรสชาติมันทําให้เราไปไปไม่ละมันติดมันมีการติดกันบางคนก็ติดรสชาติในสุขในทุกในความรักในความชังในกิเลสตัณหาในความไปตกกังวลโอมคิดอมทุกอยู่รุ่นคิดในเรื่องที่ลุ่นคิด ไม่ลอยจากสลัดความคิดออกจากจิตใจตนเองให้ความคิดครอบความย่ำยีจิตใจของเรากลางคืนก็ว่าควันกลางวันก็ว่าคิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวมันก็ไง่ไหวแต่ต้องหยุดเฉยๆโลดสกตัวนี่ให้มันสิ้นพวกสิทชาติสักช่วยช่างสวัดหูชัวงูแหลกลิ้นโบราณท่านว่าโลดสึกให้ลดสึกอี ความรู้สึกมันตัดเวรตัดไผไม่มีเวรไม่มีไผ่แล้วความรู้สึกนี่เราก็ทำได้ถ้าเรารู้สึกเราก็ทำได้ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ถ้าเป็นคนบ้าคนเป็นใบบ้าเสียจ็ตบิดอันนั้นทำไม่ได้ถ้าเรายกมือขึ้นพลิกมือขึ้นรู้สึกนี่ไม่ว่าใช้ได้แล้วมันก็มีข้าวข้าวข้าวปลูก ที่มีมเมล็ดไม่เป็นข้าวรีบเอาไปหว่านลงดินมันก็จะออกหนอ่อออกหน่อได้เพราะมันเป็นข้าวไม่รีบข้าวที่มีไตข้าวที่มีเก่็ดมีมเมล็ดอยู่ในตรงนั้นถ้าพลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกวางมือลงรู้สึกคว้า ม, มือลงรู้สึกเดินไปเดินมารู้สึกพอมันคิดกลับไปแล้วกลับมาหาความรู้สึกได้ กลับมาเป็นกลับเป็นไหมกลับเป็นทุกคนมันคิดไปนโน่นกลับมารู้สึกอยู่ตรงนี้อมันไปไหนก็ช่างมันจะคิดไปมันจะตามมันจะเห็นลูกหูจะได้ยินเสียงกลับมาหาความรู้สึกนี่ปฏิบัติคือให้กลับมากลับมากลับมาหาความรู้สึกกลับมากลับมาปฏิคือกลับมากลับมาอย่าไปอย่าไปให้กลับมามาตั้งตรงนี้ให้มันใหญ่ให้มันแน่น งั้นเราปลูกข้าวเราต้องปักลงไปตรงนี้ต้องปักลงไปตรงนี้ขาดความปักอยู่ได้นานเท่าไหร่ต้นข้าวต้นกล้าต้นไม้เราปลูปกไว้มันก็เจริญเติบโตมันก็ออกลากมีลำต้นมีจริงการสาขาออกไปมากก็เกิดดอกอกอกผลแล้่เราปรักเราแต่มันหลุดอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้ปลักมันก็เหี่ยวบ้าง ขึห Lights, ห ificar, ห memoir, stroke, Chill, shelf, ้นตายขึ irt, tang, jumping, หห IES, ่งเกิดขึ XP ้นตายบางทีก็ตายไปเลยศูนยพันไปเลยเราจึงกลับปฏิคือกลับมามาลู่เสดตัวมาลู่เสด็ตัวมันเราดำนาต้นไหลต้นมันถอนลอยน้าขึ้นเงินเหลืองเงินว่าพอเตมเลืองลอยห้อยเหลืองลอยตายมันว่าเฮงล้ยบเนี่เห็นอยถ้าเห็นต้นขอลอยน้า จับไปปักลงดินไว้ไง ม, มามูมูเขาตอดทางไกลหรอกจะขล้องยงเหลืองเลยห้อยเอาไปปักลงดิ น, นะไปปักลงดินก็คอยออกหลกักอันตรนเป็นธรรมชาติหรอเกิดลา ก, กันมาล่าก็โดนไปในดินโ ด, ดนน้ําไปเอาไปมาก็ลาต้นจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีเขียวสร้างเมือสร้างตัวออกกิ่งก้านสาขาอะไรที่ถูกก็ เกิดดอกออกผลได้กิ น, นได้กินเราได้กินข้าวมีเนื้อมีเลือดมีกําลังมังชาเรากินข้าวลงไปข้าวไปทําหน้าที่อะไรเรากินข้าวตื่นลงไปมันไปทําหน้าที่อะไรธรรมชาติของข้าวธรรมชาติของอาหารไปทําหน้าที่สร้างเนื้อสร้างเลือดไปซ่อมแซมส่วนร่างกายที่ํารุดสุดทรมไปเป็นพลังงา น, นก็ทําหน้าที่ไป อันนี้ก็เหมือนกันเราโูดศักตัวเข้าไปโูดศึกตัวเข้าไปเหมือนให้ชีวิตพรหมจรรยความโูดจึกตัวนี้เมื่อมีมากมีมากก็กลายไปเป็นศีลไละไปเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาไปเป็นมากไปเป็นพล น, น, น, น, นั่นนไปเป็นความหลุดพ้นไปนั่นทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปโน่นเหมือนพระพุทธเจ้าไปโปรดมิจฉาทิฏฐิเศรษฐีมิจฉาทิฏฐิไปยืนบินธบาต เดินอยู่หน้าบ้านเศรษฐีเศรษฐีไม่เฉาทิฏฐิไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะทำนาหัวโลน่นอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เปิดเป็นวันไหนมาขอเดี๋ยเขากินทำนาเลยไม่ทำอยู่ทำจินเหมือนเขาพระพุทธเจ้าดูก่อนทดัดคำบอดีเราก็ทำนาเหมือนกัน อาโกหกแล้วโกหกแล้วนาอยู่ที่ไหนไปเห็นนา ท, นที่ไหนกับเขาเลยมีเต่าอุ้มกระลำหมอ้อดินเลยหนาะขอเขาไม่เห็นทำนานาอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตะดูก่อนทางนขาบอดีนาของเราคือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ชั่วนาของเราอยู่ตรงนี้อืม <c oughs> สติของเราคือความคือเข้าปลูกเข้าพันอไถของเราคือสมาธิเรามีความมั่นคงสามารถพลิกความร้ายกลายเป็นความดีพลิกขันดินได้งั้นวะเพรเป็อนอย่ารกขนาดไหนพลิกลงไปสมาธิของเราเหมือนกับขันไสาาถสติของเราเหมือนกับเข้าปลูกความเพียนของเราเมันกับ น, น้ำฝน หวานลอยลงไว้น้าําฝนฉ่าตลอดเวลาเราไม่หยุดเราจะพยายามทำดีไปเรื่อยๆเรื้อมควงเหยียบไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ำฝนปัญญาของเราลุจายจากไข่นาเข้าลุจายจากไข่นาออกเราได้ผลคือมรรคผลในผ่านได้กินแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายส่วนนาของท่านคาหาบอดีเอาข้าวมากินกินแล้วยังเกิดยังแก่ยังเก็บ ย, ย, ยังตายอยู่ เศรษฐีกช่างเงเลยพระเป็นงอา้อาวอ้าวมันเรื่องอะไรเนาะไหนๆลองพูดดูจิว่ารับบาทขึ้นไรบนบาทให้พระพุทธเจ้าแสดแงธรรมพูดเรื่องนี้ให้ฟังเรียกลูกเรียกเมียมาอดยาเจ้าก็แสดแงแล้วนี่เรื่องทำความเพียรเรื่องนาของพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็เกิดศรัทธ า, าเอาข้าว้มยใส่บาท ในมนพระทเจ้าไปฉันทิบานสแสดงตนเป็นอุบาสกวาสิกาอะไรนะนี่เราทำนาถือศรัทธาความเชื่อให้มันมีเชื่อทำดีมันก็ดีจริงๆทำชั่วก็ชั่วจริงๆทำดูแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวต่มันเป็นไรมันเป็นธรรมถ้ามีความหลงมันเป็นยังไงมันไม่เป็นธรรมมันชั่เราไปทั่ว ไปเลยไปโชคเป็นโชคไปโน่นแล้วเรารู้สึกตัวมันอยู่ตรงไหนไม่เป็นอะไรเลยรู้สึกตัวปลอดภัยนี่เราเชื่อว่าเราทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อเรามีความเพียรขยันรู้อยู่มันก็ได้ความรู้เมื่อขยันหลงก็ได้ความหลงลองคิดดูสิคิดแต่ความโกรธคิดแต่ความอาฆาตคิดแต่พยาบาทมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิด ให้พ่อเป็นเป็ี่นคิดถึงไม่อม้วมอมมนมองเราไมอ้วนไปห้ามมากคน่น่อยไปห้ามมากคนนุ่มแล้วไปห้ามกากเบาแน่นหน่อยเราเลื่มเราเกแลียวมองเราเป็นยังไงเห็นเขาไม่อ้วนไปพูดยังไงไปเดินยังไงก็คิดทั้งไม่ดีหรือสิมันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อเป็ลี่ก็เขิแตกแยกเกิดความอิดอช้าพระจมวักันไปล่ละี่จฉาคิดไม่ดีความหลงก็พาเราไป คิดเรื่องกิเลสตัณหาก็เพ่งเล็งไปนมยจะเกิดเลยคิดความโกรธโกรธขึ้นมาเอาไปมาฆ่ากันไปติดคุกถึงคิดได้โอ้ยผิดเจแล้วแก้ไม่ได้อมในที่สุดก็ชีวิตเราก็เสียเวลาไปบัตรนี้เราไม่ต้องให้เสียเวลามริ่มตรงนี้กันลูมเสึ็ตัวเข้าไปมไม่จะเกิดอะไรขึ้นความลูมเสด็ตัวอยู่ที่ไหนง่ายไหมง่าย สามารถทำอะไรทุกคนหรือว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกกัดจัดตังเวคิดตะโกูลได้ทําได้ทุกคนทําได้สิ่งที่ทําได้ยังเป็นสัจธรรมสิ่งไหนทำไมได้ไม่เป็นสัจธรรมจช่นเขาบอกว่าไปเป็นเทวดายู่ขีฟนามันไปไม่ได้ไปได้เ่าะไปอยู่ทั้งกีฟ้าอยากไปเ่ราะเพรเปรมไปอยู่เมืองสวรรค์อยู่ขีฟนาย่อนหย่อนไปบ่ อยู่บ้านไม่เขาเนี่ยอยู่ก็แม่อ้วนเห็นมีความสุขเลยเนี่ยอยู่ได้บ่อยู่เนี่ ย, ยจะไปอยู่ขี่ฟ้าได้บ่เนาววมันไม่เป็นปัดจัดตัง้งไม่ทําไม่ได้สิ่งไหนทําไม่ได้ไม่ใช่คาสอนพระริจาวสิ่งไหนที่ทําได้ด้วยฝีมือของเราเราล้ะความชั่วเราทําความดีเราทําได้เนี่ยให้เป็นสวัสดิ์สวรรค์คือความอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีๆสร้างเอาดีๆ จะขี้เกียดจากขี้ขั้นเจ็บหอมรอมลิศมีเงินมีทองได้ซื้ออยู่ชื่อกินสวรรค์ภายนอกสวรรค์ภายในคือกิจที่บริสุทธิ์แต่สวรรค์ภายนอกคือโลกรดกินเสียงอารมณ์ต่างๆสวรรค์ภายในคือกิจที่บริสุทธิ์นิพพานคือเย็นชั่งหน่อยเลิกกินเหล้าเหล้าก็นิพพานไปแล้วไม่มีแล้วในหัวใจหลวงพ่อเลิกสูบบุหรี่บุหรี่ก็นิพพานไปแล้ว ไม่มีแล้วในชีวิตนี้ไม่มีแล้วโลิกโกรธความโกรธก็นิาพานไปแล้วเลิกทุกความทุกข์ก็นิพานไปแล้วไม่มีเลยพอเป็ดฮะไปโกรดทราําไมไปทุกทําไมมันนิพานอันนั้นมันศูนย์ไปมันไม่มีมันไม่มีในใจของเราเราเลิกกิจช้าพยาบาทไม่มีไม่เบียดเบียนตนแลยไม่เบียดเบียนคนเลยให้มันนิพานไปเล่านิพานไป บุีนิานไปความโกรธนิานไปความทุกข์นิพานนิพานคือเย็นแล้วเย็นแล้วไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีไออ่นไม่มีไออ่นมันผ่านไปที่เย็นผ่านไปที่เขาเผาออกจากเตาใหม่ๆมันยังไม่เย็นเตามารวมกันมันยังมีไออ่นอาจจะเกิดไฟเขาเรียกว่าสอุปติเศสนิพาน นิพพานยังมีไออุ่นยังมีคุดขึ้นมาไปทางนั้นไหมอันนั้นอันนั้นยังมีไออุ่นเอาไปมามันจะเกิดไปได้อะนุปทิเสส น, นิพพานนิพพานที่เย็นชนิดผ่านไฟที่เย็นเอาไว้ข้างบนบ้างก็ได้เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้เย็นเนี่ยหมายถึงกิจหมายถึงกีวิตของเรามันเย็นเอาแล้วนี้ เลิกกันแล้วตระชาติชิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเอาละชีวิตเราไม่มีภัยใจตัวเองไม่มีภัยใจคนอื่นที่จริงเราก็ทำได้นี่คือพุทธบริษัทของเราธรรมโอสฐได้สัมผัสได้ปฏิบัติ ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างเราก็เพียรพยายามความรู้บางทีเกิดความหลงเอเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้บางทีมันไปถึงโกรธเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธบางทีมันไปถึงความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์มันก็อยู่ท่อนี้ชีวิตเรามันก็มีท่อนี้เราจะไม่เปลี่ยนเลยเราไม่มีสิทธิอะไรเลยเราจะต้องจำน้นต่อทุกอย่างหรือ ล้วจะต้องทำทุกอย่างเลยมันก็ไม่ใช่เชื่มไปเปลี่ยนมาเป็นทางดีบ้างเปลียนมาเป็นความรู้สึื่อละก่อนที่จะรู้จะเปลี่ยนเราต้องมาสร้างให้มีเรียกว่าอาเลียทรับภายหนมีเหมือนกับเรามีเงินชื่ออะไรก็ได้ชื่อข้าวกินชื่อผ้าหนุ่งผ้าหม่มชื่อบ้านชื่อเรือนชื่อรถชื่อลา สา ม, มารถขายเรื่องโลกเรื่องหลานได้หลานเป็นทรับภายนอกส่วนทรัพภายในคืออะไรทรัพย์ตัวไหนความรู้สึกตัวที่เป็นมักเป็นผลเนี่ยมันโกรธอยู่มันเป็นมันเป็นปัญหาเราเข้าไประงับความโกรธให้ความโกรธหยุดไปมันก็เป็นผลขณะที่เราทําความเพียรอยู่มันเป็นมัก่กเมื่อสมมติว่าเราสร้างสติ สาสติอยู่นี่มันเป็นหเมื่อมีสติมันก็เป็นผลสติก็ไปรับใช่เราก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดความรู้สึกตัวมาก่อนมาช่วยเราเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วไม่พอมีเชนมีสมาธิมีปัญญามีบุญมีบุญมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดมีกุศลฉลาดมีบุญจิตใจดี ลู่แกงไม่มีตรงไหนที่ปิดบังอำพรางเพราะลูเพราะมีหูมีตาลู่เรื่องแล้วเกี่ยวข้องมันเราอ่านหนังสือได้เขาเขียนไว้ว่าทางคลงอันตรายเราคำนรณไปแล้วก็ระวังทางขึ้นเขาใช้เกลี่ยต่ํำเราก็โล่ทางลงเขาใช้เกลี่ยต่ํำเราก็โล่เขาก็ปฏิบัติตาม เราก็ปลอดภัยถ้าเราอ่านหนังสือได้ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้ไปบ้านแจ้งขายข้าวั้านละเขียนไปเขียนไปเสือกัดตายเขาเขียนว่าทางเท่นี่เสือดุกอ่านหนังสือไม่ได้ไปบ้านแจ้งขายข้าวบ้านไะเขียนไปเสือกัดตายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลู้สึกตัวเลยมันบอกศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิด มักผลก็เกิดเป็นมักเป็นผลลูกคำม mm. ักผลทุกโอกาสเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นมักความไม่โกรธเกิดขึ้นเป็นผลเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนความทุกข์เป็นมักความไม่ทุกข์ก็เป็นผลเปลี่ยนความหลงเป็นมักความไม่หลงเกิดขึ้นก็เป็นผลไม่เวียดเป็นตนจิตใจไม่ได้คิดโล่งาส เป็นมักจิตปกติเป็นผลจิตใจวันไหวฟูฟูแปลๆพยายามทําจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิอา่าใดที่มันจิตผิดปกติไม่มีความรู้สึกตัวหลอบเคาะลอบลู่ในกองสังขารขี้เห็นความเกิดความแก่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาไม่มีแต่สินมมีแต่สมาธิ มีแต่ปัญญามาช่วยเรามาช่วยเราช่วยจริงจริงศีลช่วยเราจริงๆสมาธิช่วยเราเขาลบเขาลบพระธรรมไม่มีสิ่งใดได้หน้าเคารพเท่ากับพระธรรมไม่เคารพผีไม่เคารพอะไรทั้งหมดเลยเคารพศีลเคารพธรรมเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคนพระพุทธเจ้าก็คือผู้ลูกผู้ตื่น ไม่ใช่ตัวตนเป็นคุณธรรมมีอยู่กับเราทุกคนความรู้ความตื่นความเบิกบานจิตสะอาดสว่างสงบเนี่ยเป็นพุทธเป็นตัวคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตถ้าเราสร้างเราให้โอกาสพระธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาช่วยเราอย <s tiles> <k lim segundo> ู่พราะสงฆ์คือกาลรังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรคือคุณธรรม สามารถน้อมนํามาอยู่กับชีวิตของเราแม้แต่การจันหลงพุทธศาสนาการจันหลงพระพุทธศ า, ศาสนาสร้างวัดสร้างว่าทําบุญให้ทานรักษาศีลทําบุญสร้างวัดสร้างว่าอันนั้นก็ทุกแต่ว่าการจันการจันหลงพุทธศ า, ศาสนาจริงน้อมเอาศีลเราทำเอาไว้ในเราตัวเรานี่แหละเป็นตัวาศาสนา เราไม่มีทุกข์เราไม่เบียดเบียนตนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เ ร, เรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญไม่ใช่อยู่ที่วัดวาอารามพระสงฆ์มากอนั้นอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นเขาในมณฑลพระไปไประชุมกันเขาก็ในมณฑลหลวงพ่อเหมือนกันเขาก็ประกาศว่าจเจริญแล้วสางวัดธรรมกายเขานมมนมณฑลพระไป บากว่าเป็นแสนเจ้าคณะเจริญใครไปก็ได้เงินบางคนก็ได้ห้าพันสามพันถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลเมืองหลวงก็ได้แล้วไปลดพันรเจ้าวาดก็ได้ละสามพัน